ถามว่าจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นผู้ไกลจากกิเลสตามเสด็จพระาศาสดาตอบว่าต้องประพฤติปฏิบัติให้เป็นธรรมเป็นวินยัยเช่นของที่ภิกษุได้มาในทางที่ไม่ควรของนั้นเป็นนิสสคีก็ต้องเสียสละตามพระวินยัยฉันใดเราก็ต้องตั้งใจปฏิบัติแข็งแรง ว่าจะเป็นผู้ไกลาจากกิเลสกิเลสจะต้องไกลาจากเราถ้าเผลอไปกิเลสก็เกิดขึ้นอีกเวลาใดก็ต้องเสียสละคือละเสียเวลานั้นเหมือนอย่างภิกษุได้สิงของที่ไม่ควรเป็นนิสักีท่านต้องเสียสละตามพระวินยัยทำตนให้บริสุทธิ์ฉันนั้นนี่แหละชื่อว่าปหาณกคิจเป็นทางไกลาจากกิเลส ตามเสด็จพระศาสดาพูดถามกล่าวว่าข้าพเจ้าฟังท่านบรรยายถึงปฏิปทาที่จะให้ไกลจากกิเลสรู้สึกมีกำลังใจในการละ ก, กิเลสดูไม่เหลือวิสัยที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านพูดตอบกล่าวว่าถูกแล้วกิเลสที่ยังเกิดอยู่ได้ เพราะไม่ได้ตั้งใจละให้แข็งแรงจึงเกิดขึ้นรอบงามใจได้ฉะนั้นพระอาริยาสาวกในธรรมวินัยนี้จึงไม่ทอดทุรในการละกิเลสภาคเพียรพยายามมีสติสัมปัชัญญะอยู่ท่านจึงถึงซึ่งความบริสุทธิ์ได้และเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตามเสด็จพระบรมศาสดา